เวลาชอมมืดนะหรือดึกๆตามทางเดินเนี่ยเราอาจจะสังเกตเห็นกบนะมันดูเหมือนอยู่นิ่งๆไม่ใช่ดูเหมือนอะอยู่นิ่งจริงๆเลยนะแต่ว่าบางทีเราก็นึกว่ามันหลับนะแต่ว่ากบเหล่านี้ไม่ได้หลับนะมันตื่นตัวตลอดเวลาเลย พอมีแมลงบินผ่านมามันก็รีบนะตวัดนะเอาแมลงเข้าปากทันทีอันนี้เราถึงรู้ว่ามันไม่ได้หลับนะมันตื่นเป็นความตื่นที่ดูเหมือนหลับ น, นักปฏิบัตินะก็สามารถที่จะเอากบเป็นครูได้นะก็คือว่าเรา สงบเรานิ่งแต่ว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ปฏิบัติทำเนี่ยไม่ใช่ว่ายิ่งปฏิบัติแล้วก็ยิ่งเฉยนะเฉยหรือว่าดูเหมือนเสื่องๆไปเลยที่จริงไม่ใช่นะถ้าปฏิบัติแล้วมีสติมีความศึกตัวก็จะ ตื่นตัวดูภายนอกก็ดูนิ่งๆแล้วกบเนี่ยนะมันไม่ต้องไปวิ่งหามแมลงกันนะมันรอให้มแมลงมาเองมันเพียงแต่รอพอมแมลงผ่านมาก็ตอดใส่เข้าปากเข้าปากเสร็จมันก็นิ่งต่อไม่ไดงแสดงอาการยินดีหรือลิงโลดอะไรเลย อ้มแมลงนี้ก็จะเปรียบเหมือนกับความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจบางคนนี่ก็ไปพยายามดักเฝ้าดูความคิดจะคอยดูว่าเมื่อไหร่ความคิดมันจะโผล่มาก็จะได้ตับบกนะอาการจลนสติเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนะเราไม่ได้ดักเฝ้าดู หรือไปสแสวงหาสอดสส่หามันขณะที่เรายกมือหรือเดินจงกรมเราก็ใจเราก็อยู่กับการเดินการยกมือไม่ใช่ไปคอยสอดสายดักดูหาความคิดว่ามันจะผุดโผลมาเมื่อไหร่เราถึงจะจัดการมนะันไม่ใช่ต่อเมื่อมันมาแล้วนะถึงค่อยรู้ทันมันอันนี้เรียกว่าตามรู้นะ ก็ว่าตามรู้หมายถึงว่ารู้ทีหลังเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้แต่รู้ให้ทันไม่ใช่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวปรุงไปหลายเรื่องเราถึงค่อยมารู้อันนี้ช้าไปให้รู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ไปรู้ก่อนที่มันจะเกิดแล้วพอรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ผ่าน ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนักปฏิบัติเนี่ยเวลาเจอเจอสิ่งที่น่ายินดนะีก็ไม่ได้ยินดีเหมือนคนอื่นนะก็เพียงแต่รับรู้เวลาได้ฟังเพลงเพราะได้กินของอร่อยก็ไม่ใช่เพลินเคลิบเคลิ้มห ล, ลงไหลหรือว่ายินดีไปกับมัน ก็เพียงแต่รับรู้ว่าเออมันก็มีอารมณ์มันก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นใจก็สงบได้หลายคนนะส่วนใหญ่นะพอได้เสพอารมณ์ที่น่ายินดีนะให้ความสุขเพลงเพราะหนังสนุกหรือว่าได้เงินได้รางวัลประสบความสำเร็จก็ดีใจลิงโลด อันนี้แหละจะทำให้เราทุกข์ได้เวลาไม่สมหวังมันเหมือนกับวัาใจที่ยิ่งลอยสูงเท่าไหร่นะพอตกลงมาก็เจ็บคนที่ลอยสูงเท่าไหร่ยิงสูงเท่าไหร่ตกลงมาก็ยิ่งเจ็บดีใจหรือหัวรอดเสียงดังเมื่อประสบสุขนะถึงเวลาเจอทุกข์ก็ ก็จะร้องไห้เสียงดังพอๆกันทวนคนที่หัวรอดเสียงดังนี่เวลาร้องไห้ก็เสียงดังเหมือนกันนะยิ่งยินดีมากเท่าไหร่นะพอเวลายิน้ายก็เต็มที่เหมือนกันหมดเนื้อหมดตัวเรามักจะเข้าใจว่าคนที่ไปอไปเที่ยวไปเล่นไปแสวงหาสิ่งเสพที่น่าพึงพอใจ ไปเที่ยวห้างนะไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่นต่างประเทศนะคนเรานี่มีความสุขนะที่จริงแล้วนี่เขาอาจจะเขาไม่ได้ไปสแสวงหาความสุขนะที่จริงเขาหนีทุกข์มากกว่าคนที่มีความสุขเนี่ยนะอยู่นิ่งก็มีความสุขได้แต่ว่าที่ วิ่งพล่านเพื่อไปแสวงหาความสุขเสพอารมณ์ที่น่าพึงพอใจเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่มีความสุขหรือผู้ยันก็คือว่าเขาหนีทุกมากกว่ า, าคนทุกวันนี้เนี่ยเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่นิ่งๆนี่ก็จะจะมีอาการกระสับกระส่ายนะอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องออกไปเสพรับอารมณ์เช่นไปพูดคุยกับเพื่อนไป ดูหนังฟังเพลงไปกินอาหารดูเพลินๆนี่เขามีความสุขแต่ที่จริงนี่เขากาลังหนีทุกข์มันเป็นทุกข์ที่เกิดจากสภาวะที่ไม่สามารถจะอยู่เฉยได้หรือว่าไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้อันนี้มันเป็นแรงผลักที่สำคัญที่ทำไมผู้คนเนี่ยต้องออกไปนะ โน่นออกไปนี่คนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนี่เขาสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้นะเพราะว่าเขาไม่มีแรงผลักที่จะต้องทำให้ต้องวิ่งออกไปไหนให้เราล อ, ลองสังเกตดูนะว่าความความสุขของผู้คนเวลานี้หรือวิธีการแสวงหาความสุขของผู้คนเวลานี้เนี่ยแท้จริงมันเป็นการหนีทุกข์มากกว่า พอหนีทุกข์ได้ก็มีความสุขพอปลดเปลื้องจากความทุกข์ได้ก็เรียกว่านั่นแหละคือความสุขทําไมเราเรียกห้องน้ําว่าห้องสุขขาเพราะว่านั่นเป็นที่ที่เราจะได้ปลดเปลื้องความทุกข์พอปลดเปลื้องความทุกข์ได้ก็เรียกว่าสุขนะเราถึงเรียกห้องน้ําว่าห้องสุขขาความสุขของผู้คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้ก็คือว่าเป็นการ ทำทุกอย่างเพียงเพื่อจะได้ปลดเปลื้องความทุกข์ที่วิ่งพล่านนะก็เพราะว่าก็มีความทุกข์อยู่ความทุกข์ที่เกิดจากสภาวะสภาวะที่ทนอยู่กับอะไรเดิมๆไม่ได้ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นี่เป็นความทุกข์ที่สำคัญของคนสมัยนี้ทนอยู่กับสภาวะเดิมๆไม่ได้ หรือว่าทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ทนอยู่นิ่งๆไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีกินนะจะอยู่ในห้องอยู่ในสถานที่มีกินมีสิ่งเสร็จมีสิ่งอำนวยความสุดกทุกอย่างก็ยังรู้สึกกระสรับกระส่ายถ้าอยู่ที่นั่นไปนานๆมันเกิดแรงผลักจากข้างในที่จะต้องนะออกไปหาความสุข ซึ่งจริงที่จรก็คือการหนีความทุกข์เวลาเราปฏิบัติเนี่ยมาอยู่ที่นี่สามวันสี่วันเนี่ยลองสังเกตดูมันจะมีแรงผลักอยู่ข้างในอยากจะผลักให้เราออกจากสภาพที่เป็นอยู่พอรู้สึกว่ามันเบือ่อมันไม่มีสิ่งแปลกใหม่ การปฏิบัติทำมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราต้องฝืนสู้กับแรงผลักจากข้างในที่มันอยากจะออกไปจากสภาพที่ดูเหมือนว่าซ้าซากจำเจหน้าเบื่อทั้งที่มันก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรมากแต่ว่าเราทนไม่ได้ไม่อยากจะทนกับสภาพเช่นนี้สภาพที่มันจำเจ ที่จริงแล้วก็คือความพยายามที่อยากจะหนีตัวเองมากกว่าดูเรืองคนเราเนี่ยที่ต้องออกไปหาความสุขจากภายนอกนก็เพราะว่าเราอยากจะหนีตัวเองเพราะอยู่กับตัวเองแล้วมันเป็นทุกข์ส่วนหนึ่งก็เป็นแรงผลักนะแรงผลักจากข้างในที่อยากที่ทําให้อยากจะไปโน่นไปนี่ไม่อยากจะอยู่ ไม่อยากจะปฏิบัติผู้คนส่วนใหญ่ไม่คยได้ตระหนักว่าไอ้แรงผักเนี่ยนี่มันทําให้เราอยู่เฉยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ไม่ว่าเราจะมีเราจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็อยากจะออกไปจากสภาวะเดิมคนโสดก็อยากจะมีคู่ไอ้คนมีคู่ก็อยากจะกลับมาเป็นโสดใหม่เป็นคารวะก็อยากจะบวชพระ บวชชีพอบวชผ้าบวชชีเสร็จก็อยากจะออกไปเป็นคารวาอันนี้คือแรงผลักชนิดหนึ่งที่มันอยากจะให้เราเนี่ยออกไปจากสภาวะเดิมๆแล้วเราก็คอยแสวงหาสิ่งใหม่เพราะคิดว่าไอ้สิ่งใหม่สภาวะใหม่จะทำให้เรามีความสุขการปฏิบัติธรรมโนกิวบอกว่ามรน มันต้องเป็นการสู้กับแรงแรงผลักจากข้างใ น, นที่อยากจอกไปจากสภาพที่ดูเหมือนจำเจซ้ำซาบอีกส่วนหนึ่งมันก็มีแรงดึงย น, นะแรงดึงจากภายนอกเพลงที่เพราะอาหารที่อร่อยนะหรือว่าความสนุกสนานภายนอกในวิถีชีวิตที่เราคุ้ น, คนเคย มันจะคอยดึงนะมันจะคอยดึงดูดใจทําให้เราเสือกการปฏิบัติธรรมมันมันไม่มีความสุขเลยเราอยากจะละเลิกจากการปฏิบัติธรรมอยากจะกลับบ้านเร็วๆนะเพราะแรงดึงดูดนะจากสิ่งเสพอารมณ์ที่น่าพอใจนะซึ่งทางพัลวากามะสุขก็เรียกว่าเราต้องเจอทั้งสองแรงนะ อที่หนึ่งก็ต้องสู้กับแรงผลักจากภายในที่อยากจะให้เราออกจากสภาพที่เป็นอยู่อยากจะหนีจากตัวเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแรงดึงดูดที่ทําให้นะคอยดึงดูดให้เราอยากจะไปหาสิ่งเสพมานะหลายคนนะเดินจงกรมไปสร้างจังหวะไปก็นึกถึงเพลงพิพราะอาหารที่อร่อยละครนะที่ติดนะ แล้วมันก็ทําให้ไม่เป็นสุขกับการปฏิบัติแต่ที่จริงแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันทั้งแรงผลักแล้วก็แรงดึงนะมันก็ทําให้เราอพลังเหล่านี้แรงดึงแรงผลักเหล่านี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงเพราะว่าถ้าเราถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็จะมันก็จะอ่า มันก็จะบรรเทาเบาบ า, บางลงไปสติที่รู้ทันนะทำให้ไอ้แรงความกระสับกระส่ายนะมันเจือจางลงแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับความเข้าใจด้วยว่าไอความสุขที่แท้เนี่ยมัน ม, มันไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากการเสพแสวงหากา ม, มาสุขไอนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้เพราะว่า เราได้มันมาก็มีความสุขหรือดีใจชั่วคราวเสร็จแล้วมันก็เบื่อใหม่ได้อะไรมาก็ดีใจแค่ทีแรกไม่นานก็เบื่อแล้วก็อยากจะหาใหม่ได้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าคนรักมันไม่เคยให้ ความสุขที่แท้จริงกับเราพอได้มาแล้วนะมันก็มีแรงผลักที่อยากจะไปออกจากสิ่งนั้นเพื่อไปสแสวงหาสิ่งใหม่และผู้คนก็เหมือนกับคนที่วิ่งสแสวงหาสิ่งต่างๆไม่จบสิ้นสักทีอย่างนี้จะเรียกว่ามีความสุขได้อย่างไรคนที่เราเราเห็นเขามีความสุขเพราะเขามี มีเงินมีทองได้เที่ยวได้สนุกสนานได้บันเทิงเริงรมมีรถคันแล้วคันเล่ามีเสื้อผ้าใหม่ๆตัวแล้วตัวเล่านี่อย่าไปคิดว่าเขามีความสุขนะที่จริงสิ่งที่เขาทำทน้่หมดก็คือเพื่อนหนีทุกข์และตกอยู่ภายใต้การครอบงาของการมาสุขสิ่งเสษทั้งหลาย คนที่สุดแท้จริงนี่เขาไม่ไม่จเป็นต้องไปวิ่งพลานอย่างนั้นเขากลับสงบเขากลับนิ่งเพราะว่าเขาพอใจในสิ่งที่เขามีพอใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วทุกอย่างก็สมบูรณ์ในตัวมันไม่มีแรงผลักที่จะทำให้ต้องหนีออกจากสภาวะเดิม จะว่าไปแล้วความสุขของคนเราจะวัดก็ตรงที่ว่านิ่งได้แค่ไหนนะอันนี้หมายถึงนิ่งทั้งกายแล้วก็นิ่งทั้งใจนะนิ่งนิ่งที่กายไม่ได้หมายความว่าจะเฉยเหนือยแต่หมายความว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปวิ่งคลานนะไปคุกเคลียคนโน้นไปเที่ยวที่นั่นใจก็นิ่งด้วยคือไม่ยินดีไม่ยิน้ายมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีพวกนิครณ น, นะคนนิครณคือว่าลัทธินอกพุทธศาสนาจะเรียเป็นพวกโยคีก็ได้นะก็มาสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีความสุขกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เป็นผู้ครองกรุงราชครื้นะก็เรียกว่าร่ํารวยนะ มันก็มีอำนาจมีบริษัทบริวารเยอะพูะเจ้าก็แย้งว่าพระองค์ต่างหากที่มีความสุขมากกว่าพระองค์จะมีความสุขได้องไรในเมื่อนะก็มีแต่ผ้าสามผืนฉันมือเดียวแล้วก็อยู่อยู่ป่าต่างกับพระเจ้าพิมพิสารลากับฟ้ากับดินพระเจ้าจะมีความสุขกับพระเจ้าพิมพิสารได้อย่างไร พระองค์ก็ถามอนิครนนาตบุตรว่าพระเจ้าพิพิษานเนี่ยสามารถจะอยู่นิ่งๆเนี่ยได้ไหมเจ็ดวันไม่ได้หกวันล่ะก็ไม่ได้ห้าวันลดมาเรื่อยๆจนเหลืถึงวันเดียวก็ทําไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกพระองค์เนี่ทําได้อยู่นิ่งๆหนึ่งวันก็ได้สองวันก็ได้ถึงเจ็ดวันก็ได้เพราะว่าพระองค์ก็ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาสิ่งเสพภายนอกเพราะมีความสุขอยู่แล้วภายในอันนี้ครนนูนาตุบก็เลยยอมรับว่าเออใช่นะพระพุทธเจ้านี่มีความสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารนะแต่ว่าความนิ่งที่ว่านี้ไม่ได้แปลว่า อ, อยู่กับที่ไม่ทําอะไรนะถึงเวลาก็ทํางานทำการนะด้วยความกระตือรือร้น นะบางทีอาจจะกระฉับกระเฉงกว่าคนทั่วๆไปก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องทำอะไรเฉื่อยชานะคนที่ตื่นตัวมีสเตนเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ทำด้วยความกระฉับกระเฉงนะวนะัเหมือนกับกบเนี่ยนะประวัตแมลงนี่ก็วมากเลยเวลาจะบทจะวก็ว แต่เวลาจะสงบก็สงบนิ่งได้แห้เราควรนะจะเข้าใจเรื่องของความสุขนะให้ให้ดนะีคนที่เราเห็นว่าเขามีความสุขแท้จริงนี่เขากำลังหนีทุกข์นะจนจนพลานต่างหากแต่คนที่สูงอย่างแท้จริงนั้นไม่มีความจำเป็นต้องไปแสวงหาสิ่งเสพที่ไหนนะเพราะว่าได้ กับความสุขที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ตามเนี่ยคนเราเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเนยีเวลาจะทําแล้วก็ตามก็ต้องอาศัยแรงผลักนะคนเราในขั้นที่ปุถุชนทั่วไปเนี่ยจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามทีแรกก็ต้องอาศัยแรงผลักเช่นจะเรียนหนังสือได้เนี่ยนะถ้าให้เด็กเรียนเองเด็กก็ไม่เรียนหรอกก็ต้องมีแรงผลักคือไปโรงเรียนพักลัว กลัวครูกลัวพ่อแม่ลงโทษนะแต่ว่าถ้ามีแต่แรงผลักนะก็เรียนไม่มีความสุขครูเผลอเมื่มอไหร่พ่อแม่เผลอเมื่มอไหร่ก็โดดเรียนนะพวกเราคงเป็นอย่างนั้นนะตอนเด็กๆแต่อะไรที่ทําให้เด็กเนี่ยเรียนหนังสือได้อย่างต่อนเนื่องก็เพราะว่าเขามีมแรงดึงหรือแรงดึงดูดให้เรียนแรงดึงดูดก็เช่นว่าความสุขนะ เรียนแล้วมีความสุขนะได้พบสิ่งใหม่ๆนะพอมีความพอมีความรู้ก็มีความสุขก็ทําให้ขยันเรียนนะบางคนจะอาจจะอาศัยแรงดึงดูดก็คือรางวัลรางวัลจากพ่อแม่จากโรงเรียนว่าถ้าได้เรียนได้ดีจะพ่อแม่จะซื้อโทรศัพท์ให้จะซื้อรถเครื่องให้หรือซื้อรถยนต์ให้ อันนี้ก็เป็นแรงดึงดูดของคนทั่วไปนะแต่ว่ามันมีแรงดึงดูดที่ดีกว่านั้นก็คือความสุขนะที่ได้เรียนรู้ได้พบสิ่งใหม่ๆเมื่อมีนักเรียนคนหนึ่งนะเขาขยันเรียนนะขยันเรียนแล้วก็ไปสอบวิชาหนึ่งวิชาภาษาจีนนะ้งครูบอกว่า ถ้าจับได้ว่านักเรียนคนไหนทุจริตนะหรือว่าลอกข้อสอบนี่จะตัดคะแนนนักเรียนทั้งห้องเลยคนละสิบคะแนนเราก็มีนักเรียนคนหนึ่งไม่ไม่ไม่กลัว ค, คําครูนะลอกลอกข้อสอบในห้องเรียนครูจับได้นักเรียนนั่งชั้นก็ถูกตัดคะแนนกันหมดเลย นักเรียนคนนี้ก็เลยถูกเพื่อนเหมนหน้านเขาก็เสียใจไปขอโทษขอโทษนักเรียนทั้งห้องเลยก็มาขอโทษนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กที่เรียนเก่งอย่างที่ว่าคะแนนเต็มสี่สิบเขาก็ได้นะเกือบเต็มนะสามสิบเก้าสามสิบแปดถูกตัดไปสิบคะแนนก็เลยยี่สิบแปดแต่เขาไม่เสียใจเลยเขาไม่ไม่ว่าเพื่อนด้วย เขาบอกว่าครูตัดคะแนนได้ก็จริงแต่ครูไม่สามารถจะตัดหรือเอาความรู้ไปจากเขาได้นะเขาเรียนแล้วก็มีความรู้เขาก็พอใจแล้วคะแนนจะถูกตัดไปเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะอันนี้เรียกว่าเขามีความสุขกับการเรียนเพราะว่าเขาได้ความรู้นะถ้านักเรียนเรียนเพราะมีแรงผลักอย่างเดียวนะก็ไม่มีก็เรียนได้ไม่ตลอด เวลาคนเราจะทำความดีเนี่ยเราก็ทีแรกเราก็ทำความดีเพราะเรามีแรงผลักก็คือกลัวกลัวถูกลงโทษนะกลัวตกนรกกลัวถูกจับนะก็ต้องทำความดีแต่ว่าคนที่ฉลาดกว่า น, นั้นเขาจะพบว่ามันมีแรงดึงดูดให้ทำความดีคือทำแล้วมีความสุข ทำแล้วมีความสุขก็ทให้อยากจะทําความดีแล้วกสวรรค์มีจริงไหมเขาก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสาระเพราะว่าทําแล้วมีความสุขในปัจจุบันคนที่ขยันคนที่ทางานนะหลายคนมาทํางานก็เพราะว่าหลายคนทางานด้วยทางานจริงจังเพราะกลัวกลัวว่าถ้าขี้เกียจแล้วนี่จะจ ะ, จะถูกตัดเงินเดือน จะไม่ได้เลื่อนขั้นอันนี้ก็เรียกว่าทำเพราะแรงผลักแต่ว่าคนที่ฉลาดนี่ก็จะมีแรงดึงดูดให้ทําให้ขยันทํางานก็คือเขามีความสุขกับการที่ได้ทํางานงานทําให้เขาสุขชีพมีคุณค่าได้ทํางานแล้วก็ว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ศักยภาพก็มีความสุขเงินเดือนหรือว่าขั้นก็เป็นเรื่องรอง พวกเราเนี่ยนะก็ต้องพยายามนะค้นให้เจอนะให้แรงดึงดูดที่จะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะหลายคนมาปฏิบัติธรรมเพราะแรงผลักเช่นเจ้านายสั่งหรือว่าบางคนก็ไม่ถึงแม้ไม่มีใครสั่งแต่ว่าถูกความทุกข์ผลัก อ, อกหักศูญเสียคนรักพ่อตายหรือเจ็บป่วยคนส่วนใหญ่มาปฏิบัติธรรมก็เพราะเหตุนี้กลัวทุกข์หรือว่าถูกทุกข์บีบคั้นถูกทุกข์ผลักใส่หรือผู้ใายแรงๆคือถูกทุกข์ถีบ น, นะให้เข้าวัดถ้าไม่มีถ้าไม่ถูกทุกข์ถีบให้เข้าวัดนะก็ไม่สนใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็เพราะ นะความทุกข์บีบคั้นแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วเออพบ ว, ว่ามันมีความสุขนะทำให้ใจสงบทำให้ใจรู้สึกมีปิติในการปฏิบัติการปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องง่ายนะไม่ต้องมีใครสั่งเราก็สามารถจะทำได้ ก็ทําให้มีชันทะในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพราะมีแรงดึงดูดนะแต่เพราะแรงผลักพรนะพุทธเจ้าตรัสว่าคนเนี่ยมีสี่ประเภทนะท่านก็เปรียบเหมือนกับมา้ามาสี่ประเภทม้าประเภทแรกเนี่ยนะคื อ, อ น, นี้มาที่สารถีขับนะสารถีคือคนขับเนี่ยม้าประเภทแรกนี่แค่เห็นเงาของปัตตักที่สารถีถือปัตตักนี่พวกเราคงรู้จักนะ ประมนี้ไม่เคยเห็นแล้วแต่อาจจะเคยได้ยินเอาไว้แทงแทงวัวแทงควายให้มันให้มันเชื่อฟังประตัานี้ก็เอาใช้กับม้าได้เหมือนกันม้าเนี่ยประเภทแรกนี่แค่เห็นเงาประตักก็รู้แล้วว่าจะวิ่งไปข้างหน้าหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประเภทที่สองนี่ต้องโดนประตักแทงถึงจะรู้ประเภทที่สามนี่ต้องโดนประตักแทงไปถึง เนื้อนะไม่ใช่แค่หนังก็ถึงจะรู้ประเภทที่สีต้องโดนแทงลึกเข้าไปกว่า น, นั้นถึงจะรู้ว่าอ่าสารถีต้องการอะไรก็เปรียบกับคนสีประเภทประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายก็เกิดความสังเวชนะสังเวชมันไม่ใช่ว่าเกิดความตื่นตัวนะไม่ใช่แปลว่าหดทู สังเวทไทยกับสังเวทบาลีไม่ต่างมันไม่เหมือนกันสังเวทชนิสถานเนี่ยคือสถานที่ ท, ทำให้ที่เตือนใจให้เราระ ล, ลึกเล่งทำความดีสังเวทค่าหรือสังเวทนี่มัเนเป็นหมายถึงความรู้สึกกระตุ้นเตือนให้ไม่ประมาทเมื่อเพียงแค่ดินคนตายก็เกิดความสังเวทเกิดความตื่นตัวก็เพียรปฏิบัติธรรม ประเภทที่สองนี่ต้องเห็นคนตายก่อนต้องเห็นคนตายเนี่ยมนถึงจะเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติพอเห็นคนตายแล้วก็เกิดกลัวว่ากลัวว่าเราจะตายอย่างนั้นบ้างก็เลยอยู่เฉยไม่ได้ลนะประเภทที่สามต้องมีคนรักมีเพื่อนหรือว่าญาติตายถึงค่อยหนะันมาปฏิบัติประเภทที่สี่เนี่ยตัวเองต้องเจอนะคือความตายประชิด ต, ตัวแล้ว ถึงค่อยสนใจในบรรดาสีประเภทนี้ประเภทแรกดีที่สุดนะก็คือเพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายก็ตื่นตัวแล้วเพียงแค่รู้ประเภทที่สองสามนี้ต้องรู้สึกนะถึงจะขยับคือว่าเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเกิดความรู้สึกกลัวอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะแรงผลัก แต่ว่าการปฏิบัินี่มันจะต่อเนื่องได้นะก็ต่อเมื่อเราได้เห็นผลของการปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วใจสงบใจมีความรู้สึกตัวมีสติจนะาทาให้เราเนี่ยไอโหยหาความสุขจากวัตถุภายนอกน้อยลงนะมีความพอใจในสิ่งที่มีนะก็จะทำให้เรานะปฏิบัติทำได้อย่างต่อเนื่อง แต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยนะพวกเราก็ต้องนะก็ต้องหัดรู้เท่าทันไอ้แรงผลักจากภายในที่จะทำให้เราเนี่ยเลิกการปฏิบัตินะมันจะมีเสียงร้องจากข้างในเราเช้าเย็นหรือตลอดทั้งวันก็เลยก็ได้ว่าโ อ, อย่าปฏิบัติเลยไปเที่ยวดีกว่าไปอ่านะไปสนุกสนานดีกว่าอันเนี้ยนะมันเป็นเพราะว่าเรา นะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้และคนเร า, าทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขแม้ว่าจะมีแฟนดีนะมีคนรักที่ดีก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าอยู่กับตัวเองยังอยู่ไม่มีความสุขยังอยู่ไม่ได้แล้วจะอยู่กับใครแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรนะมันก็ไม่ต่างจาก หมาที่ผู้เจ้าเคยเปรียบว่าหมาขี้เรือนเนี่ยหมาขี้เรือนนี่มันนอนในถ้าก็ไม่มีความสุขมันต้องย้ายไปนอนที่อื่นไปนอนใต้ต้นไม้ก็ไม่สบายใจต้องย้ายไปนอนที่อื่นมันก็เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่เคยอยู่นิ่งสักทีไม่เคยพอใจสักทีนะแล้วมันก็คิดว่าเป็นเพราะสถานที่นั้นไม่ดีแต่ที่จริงเป็นเพราะาตัวมันขี้เรือนต่างหาก มันไปเทศ์มาไปโทษข้างนอกนะแต่มันไม่ได้ดูตัวมันเองว่าเป็นเพราะความคิดเรื่องของมันที่ทําให้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขนั่นถ้าใจาเราเนี้ยยังพร่องอยู่นะใจเรายังพร่องอยู่ใจเรายังไม่ยังไม่พบกับความเต็มอิ่มหรือความพอเพียงนะมันก็จะคอยดิ้นรนอยู่นั่นแหละ แล้วคิดว่าถ้าได้นี่ได้นั้นแล้วจะมีความสุขก็ไม่เคยพอใจสักทีจนกว่าจะกลับมาที่ตัวเองแล้วก็กลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้พบกับความสงบความนิ่งเมื่อพบความสงบได้ชีวิตก็จะนิ่งนะแล้วก็สามารถที่จะทำสิ่งดีงามสามารถจะช่วยให้มีความสุขและตัวเองก็มีความสุขได้ด้วย ทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นนะจากการที่เราเรียนรู้ที่จะปฏิบัตินะจเจริญสติได้โดยที่ไม่แสสายมากแม้มันจะมีเสียงร้องเสียงผลักจากภายในแต่เราก็อดทนนะไม่ไม่ทำตามมันนะต้องสู้กับไอแรงผลักจากข้างในนะที่มันจะกระตุ้นเราให้เรานะเลิกปฏิบัติรวมทั้งต้องสู้กับแรงดึงดูดจากข้างนอกนะ จากการมาสุขที่มันจะทำให้เรานะคลายความเพียรในการปฏิบัติถ้าเรารับมือกับสองแรงนี้ได้โดยเพราะไอแรงฝ่าจากข้างในนะไอการปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องง่ายและถึงตอนนั้นนี่ไอแรงดึงดูดย้ายวนจากภายนอกมันก็จะมีสเสน่หนะ์จะมีะมสเสน่ห์หรือว่ายั่วเยาว้านะเรากระตุน้นเราได้น้อยลง อ่าเรคำนีงก็พูดกันเท่านี้นะครับ